ที่ผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการมาและก็ผ่านพ้นปัญหาร้อยแปดพันเรื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะับว่าเป็นโอกาสดีของพวกเราและเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งทีเดียว ที่พวกเราได้มีเวลามีศรัทธาได้มาศึกษาพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นนักบวชและในฐานะเป็นอุบาสกุบาสิกา <c oughs> <c oughs> กลวนแล้วเจตนาดีที่จะ บำรุงความสุขความเจริญบำรุงความดีที่ตนของตนมีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอเพราะความรู้สึกทางจิตใจของพวกเราต้องการความสุขต้องการความเจริญต้องการความสงบอบอุ่นด้านจิตใจมากกว่านี้ นั้นโอกาสอย่างนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาศึกษาพุทธธรรมคําสอนและได้มาฝึกได้มาปฏิบัติจึงเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราควรจะภูมิใจพูดถึงหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพงศ์สอนเป็นสว่าขาตธรรม คือนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกจากโทษได้แล้วคุณภาพของธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น <c oughs> สามารถคุ้มครองให้ผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่ว ความชั่วตามพบตามภูมิที่เกิดขึ้นความไม่ดีตามพบตามภูมิที่เกิดขึ้นควมเป็นทุกทรมานทั้งทางกายและจิตใจตามพบตามภูมิที่พากันเกิดขึ้นขอโภมแต่และพูดถึงว่าบุคคลแต่และบุคคลที่เกิดขึ้นฐานะความเป็นโย ไม่มีใครเสมอเหมือนกันความรู้สึกทางจิตใจความรู้สึกทางร่างกายย่อมไม่สม่ำเสมอกันมากขนาดไหนมันก็ไม่สม่ำเสมอกันแม้รูปพันธสันฐาน ในโลกกนี้จะมีจี่หมื่นจี่แสนและล้านคนก็ตามไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนไ ม, ไม่มีใครที่จะเหมือนกันสักคนเดียวทั้งหญิงทั้งชายมีสิ่งแตกต่างกันอยู่นั้นแหละแล้วนอกนั้นที่เกิดขึ้นมาร่วมพบร่วมชาติ นอกจากความวิบัติเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนทนทุกข์ทรมานด้วยไม่สมหวังต่างๆในรูปก็ดีในความรู้สึกนึกคิดก็ดีทางจิตใจมีปัญหาทนทุกข์ทรมานก็มีมากต่อมาก นอกจากนั้นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีทั้งในน้ำบนบกนับไม่ท้วนประมวลไม่จบสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกพบโคมที่ไม่ดีพบโูมที่เป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ ที่ให้พวกเราเข้าใจตามเหตุตามความเป็นจริงว่าด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมคำสอนของพระองค์ท่านสามารถปกป้องคุ้มครองนำพวกเราไม่ตกไปในที่ชั่วอย่างที่ว่านั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะพวกเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าคือพวกเราไม่ได้ทำความชัว่ว ความชั่วจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ก่อเหตุให้เกิดในสิ่งที่เป็นทุกข์ความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้พูดเราไม่ได้เชิดแต่สิ่งเหล่านี้ <c oughs> สิ่งที่จะให้พาทำสิ่งที่จะให้พาพูดสิ่งที่จะให้พาคิดแต่มันมีอยู่อันนั้นท่านเรียกว่าจิเลธทั้งหลายตัณหาทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าจิเลธภาษาลาวก็คือความโลบความโกรธความหร้อง ตัณหาคือความยากถ้าเยอะถ้ายานยากความหิวความกระหายไม่มีที่จบที่สิ้นไม่มีที่พอโดยเฉพาะแล้วโดยที่จะแยกให้พวกเราเข้าใจเห็นได้ชัดก็คือตัณหาในสิ่งที่มันเป็นไปทางที่เพด ถ้ากะระแสจิตใจของเราอยู่ในสภาวะตัณหาในทางที่ผิดตรงนี้แหละจะเป็นเหตุให้พวกเราทําในทางที่ผิดได้พูดในทางที่ผิดได้คิดในทางที่ผิดได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราปลูกความสำนึกมาเรียนรู้ว่าอะไรผิดทีเนี่ย ทำยังไงมันเิจพูดอย่างไงมันเพจเช็ดอย่างไงมันเพจถ้าเราทําผิดแล้วผลความเพจมันก็คือความชั่วผลความผิดก็คือความทุกข์เราไม่ต้องการผลความผิดความชั่วความทุกข์แล้วก็พยายามสร้างกําลังใจของเรา ให้มีความเช่มแข็งเหนื้อในกลัวในสิ่งที่มันผิดมันชั่วด้วยอำนาจที่เลดด้วยอำนาจตัณหาส่วนตัณหาในทางที่ดีที่เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามความอยากความต้องการในทางที่ดีอยาก ม, มาประพิอยากมาปฏิบัต มาสร้างสรรสมบัติคือรูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติของเราด้วยมาฝึกตามศีลตามธรรมฝึกตามศีลตามสมาธิฝึกสติฝึกปัญญาที่เป็นระบบของความเป็นธรรมพุทธธรรมคําสอนอันนี้เกิดให้เกิดขึ้นกับความเป็นสมบัติของเรารูปสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติของพวกเรา พระพุทธเจ้าสอนพระองค์นี้พระองค์สอนมาแล้วสองพันห้า้อยกว่าปีสอนให้บรรดาสัรพสัตทั้งหลายรวมพวกเราเข้าด้วยสอนให้เข้าถึงความสุขสอนให้มีความสุขแต่โลกทั้งหลาย <c oughs> พวกเราอยู่ในท่ามกลางของโลก เขามาใสอนเข้าหาความสุขแบบธรรมชาติเหมือนหลักพุทธธรรมคำสอนความเป็นอยู่ของโลกเข้าหาความสุขจากปจัจจัยสี่หาความสุกจากอามิดเครื่องสัมผัสจากปจัจจัยสี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ การพัฒนาบ้านเมืองเขาพัฒนาเพื่อความเจริญความมุ่งหมายมุ่งมั่นก็เพื่อพัฒนาให้เกิดความสุขกายสุขใจนั่นแหละแต่ทำทำทำไปแล้วมันไม่มีอะไรที่เกิดมาเป็นเครื่องตอบแทนให้สมหวังยุคนี้สมัยนี้ถ้าดูตามข่าวฟังตามเรื่อง ที่ให้พวกเรานำมาขบคิดนักวิทยาศาสตร์ประเทศที่เขามีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุความเจงกล้าสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของเขาบางประเทศบางคนเขากำลังค้นคิดหาความสุขหรือเนี่ย เขากำลังคิดหาว่าความสุขของใจคืออะไรฟังดูที่พวกเราชาวพุทธศึกษาหลักพุทธธรรมกำลังสอนทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนพระองค์นี้สอนมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วนะความสุขทางใจเน่ย น, นะแล้วพวกเราก็ยังตื่นไปตามกระแสของนักวิทยาศาสตร์สร้างสรงสรค์สร้างสมบัติขึ้นมา พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองว่าวัตถุเจริญวัตถุเจริญไอ้นักวิทยาศาสตร์คนที่ว่ากำลังค้นหาความสุขทางใจนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศที่เขาพัฒนาสมบูรณ์แล้วตัวอย่างเมืองอังกฤษเมืองสหรัฐ ถ้าวัตถุสมบัติที่เขาสร้างสรรด้านวัตถุเจริญเต็มที่ระดับนั้นเขามีความสุขกายสุขใจเขาจะไปนค้นหาทำไมความสุขใจคืออะไรเขาจะไปหาทำไมเขาคงจะพิจารณารอบรู้รอบครอบดูแล้วว่าประชาชนคนทุกชั้นทุกฐานะตั้งแต่ผู้นำประเทศ หรือว่าผู้เป็นใหญ่ที่เธอทูอยู่ในระดับประเทศของเขาที่ยกเธอทูสูงสุดในประเทศจะเป็นระดับไหนก็ตามเขา ด, ดูดูดูดูแล้วไม่ใช่ว่าระดับนั้นมีอย่างนั้นชื่อเสียงอย่างนั้น ได้ยกฐานะอยู่ในฐานะอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีความสุขทางใจเขายังปฏิเสธทั้งหมดอยู่แม้ทรัพย์สินเงินทองจะเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนวัตถุเดือนชานบ้านช่องเป็นเกลือหาดใหญ่โตขนาดไหนเขาวิเคราะห์ดูแล้วอย่าง ยังไม่ใช่เป็นสิ่งยังไม่ใช่เป็นเครื่องอํานวยที่เกิดความสุขใจและทีนี้เขาลังค้นหาความสุขของจิตใจแต่แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่ี้ พอองค์ประกาศสอนมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วความสุขทางใจที่พวกเราพอเข้าใจได้ศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังมาความสุขทางใจนี่เป็นหลักใหญ่ๆอยู่สามระดับระดับแรกสีเลนะสุขเติงยันติตีพวกเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อย ผู้เมสินมีความสุขอันนี้ระดับต้นระดับที่สองนัทธสันติพลังสุขขังสุขเอือเอิเสมอด้วยใจสงบไม่มีผู้ฝึกจิตใจให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้ ความสงบแบบสมาธิความสงบแบบธรรมชาติความเป็นสมาธินี้จะมีความสุขเลเลิศเกลือความสุขที่อาศัยปัจจัยสี่ที่ที่อาศัยที่เป็นอาเมตที่พวกเราสัมผัสมีกันอยู่รู้กันอยู่เดี๋ยวนี้ความสุขอันดับที่สามนิพพานปรมังสุขขัง ความสุขอย่างเลิศอย่างประเสริฐก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่บางคนไม่เข้าใจคําว่านิพพานานิพพานนี่ไปเหมาว่าคือการตายความตายเป็นนิพพานปลาท้อจะเข้าใจอย่างนั้นแบบไม่รู้จักความหมายอย่างนั้นมันจะถูกคําหมายคําว่านิพพาน เออที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้เป็นจุดนั้นเป็น <c oughs> ที่มีความสุขเต็มที่ทว่าสถานกับสถานที่มีความสุขเต็มที่คําว่าสถานที่กับไม่ต้องจะพูดยังไงพูดตามความสมมุติเฉย มันไม่มีอะไรจะเรียกตรงนั้นน่ะมันมีแต่ความสมบูรณ์แบบเขาว่าสมบูรณ์แบบก็สมมติอีละ่ะเรียกตามสมมติอีละ่ะแต่ถึงยังไงก็ตามคือความเป็นธรรมชาติที่มีความสุขแบบสมบูรณ์เต็มที่ น, นิพพานังปรมังสุขขังสุขอย่างเลิศอย่างประเส ร, ริฐหาน ที่มีอะไรเปรียบเทียบไม่ได้ทุกนิดหนึ่งไม่มือไม่มีในตรงนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราชาวพุทธชาวโลกที่มีความสนใจในความสุขสอนมาแล้วประกาศมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีฉะนั้นหลักการสอนของ นักวิชาการใดก็ตามศาสตราอาจารย์อาจารย์ระดับไหนก็ตามในโลกนี่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ใดที่จะสอนได้ถูกต้องเหมือนอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนถูกต้องในสิ่งที่ ควรมีควรเกิดควรเป็นและเป็นไปตามความเป็นจริงที่พระองค์สอนถูกต้องก็เพราะพระ อ, อ, องค์เป็นสยามภูตรารู้เองชอ่อพระองค์เป็นศาสตราเอกของโลกจริงจึงได้เป็นศาสตราเอกของโลกคือรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังพระปัญญายานของพระพุทธเจ้าว่าเหตุนี้ตรงนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น พกอย่างนั้นอย่างนั้นน้อยมากมันเหตุเกิดจากอันน ah ี้อันนี้อันนี้ความสุขที่มนุษย์ต้องการน้อยมากมีเหตุเกิดจากอันนี้อันนี้อันนี้ความสุขอย่างนั้นมีเหตุจากอันนี้เหตุจากนี้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด ทำไมจึงสอนไว้ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นมันมีจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้เองก่อนเห็นเองก่อนก่อนใครทั้งหมดในโลกนี้นะทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นก่อนอื่นใครทั้งหมดรู้ก่อนอื่นใครทั้งหมดพระ อ, องค์จึงได้นำสิ่งที่พระ อ, องค์รู้พระ อ, องค์เห็นนะ่นะมาสอน มันจะผิดไปที่ไหนทีเนี่ยเหมือนอย่างที่พวกเรามานี่แล้ววัดทำพระบูวัวเรามาเห็นเองตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่เราเห็นแล้วนั่นะมันจะผิดไปตรงไหนทีเนี่ยนำไปบอกไปเล่านี่รูปปีก ฉะนั้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เองก่อนแล้วเห็นเองก่อนแล้วจึงได้นำมาสอนมันจึงไม่มีตรงไหนที่จะผิดเพี้ยนไปจากความจริงอย่างนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วถึงแล้วอย่างพรหมโลกเนี่ยพระองค์ก็เห็นแล้วรู้แล้วอย่างเทวบุตรเทวดาพระองค์ก็รู้แล้วเห็นแล้ว เห็นก่อนใครอื่นแล้วมนุษย์มีความเป็นอยู่ยังไงพระพุทธเจ้าก็รู้หมดทั้งเหตุทั้งผลแม้สัตว์เดรัจฉานในน้ําก็ดีบนบกก็ดีตลอดถึงเปรตถึงผีสัตว์นรกเวทีพระพุทธเจ้าก็รู้รู้รูู้ร้รู้รู้หมดเห็นหมด รู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงนั่นน่ะ เ, ะเพราะพระองค์มีความพิเศษอยู่สามระดับระดับหนึ่งที่ตา <c oughs> หัวจะูกลิน้นกาย <c oughs> ความรู้ที่สัมผัสทางประสาทก็เหมือนอย่างพวกเราท่านท่าถ้าไกลจากนี้ไปแล้ว ก็มองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินแต่ความเป็นพิเศษที่เหนือจากพวกเราไปคือความเป็นทิฟตาก็เป็นทิฟมองทะลุปูโป่งไปหมดหูก็เป็นทิฟฟังรู้เรื่องที่พวกเราไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่มันลึกลับนะ่ะพระพุทธเจ้าฟังด้วยหูทิฟ มองด้วยตาทิพย์นี่ความรู้พิเศษอันอันดับที่สองอันที่สามคือปัญญายานอย่างรู้ต ร, รัตลูที่พระพุทธเจ้ารู้ <c oughs> ด้วยความเป็นพิเศษรู้จากหูจากตายังเหนือความรู้จากหูจากตาที่พวกเราใช้อยู่ก็คือความเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์เขาไป นอกแก่นั้นก็ปัญญายานยานอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สร้างสมบารมีมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะถ้าไม่รอบครอบไม่และไม่สมบูรณ์แล้วจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ก็เพื่อมาสอนมนุษย์ เพราะความคิดความเห็นความเข้าใจทิฏฐิมานะของมนุษย์นี่มันหลายระดับ <c oughs> สมควรที่จะทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยเดชพระองค์ก็ทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยเดชสมควรที่จะสอนให้เข้าใจในระดับไหนพระพุทธเจ้ามีหมดสอนให้มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ <c oughs> พอที่จะ มีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีมันเหลือเหลือประมาณเมืดมิดปิดตาเหมือนที่แผนเหล็กสติปัญญามองอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวประเภทนั่นก็มีประทับประมาประเภทนั่นก็มีแต่ส่วนที่จิตใจที่เคยได้บำเพ็ญ ฝึกปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติจากการเกิดหลายภพหลายชาติเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่เกิดและแต่พสกษ์ทั้งหลายนี่เกิดไม่ใชพบพบเดียวชาติเดียวนี่นะพระพุทธเจ้าตาทะลรู้ลแล้วอดีตชาติที่ผ่านมานับไม่้วนประมวลไม่จบพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าการเกิดของสัตว์ทั้งหลายรวมพวกเราเข้าด้วย มากขนาดไหนพระองค์ให้พอเปรียบเทียบให้พวกเราฟังพอเป็นคติที่การเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องมากขนาดไหนผู้องเปรียบเหมือนที่ว่าต้นไม้ใบหญ้าใบไม้ใบหญ้าอยู่ในแผ่นดินในโลกเนี่มากขนาดไหนผู้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เรายิ่งมากกว่านั้นนี่เคยเป็นพี่เป็นน้องที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันในฐานะการเกิด มากกว่าต้นไม้ใบยญ้าสลีดูที่นั่นนะทั้นนั้นนะพวกเราจึงคิดว่าเกิดมาพบเดียวชาติดเดียวนี่จริงๆแล้วมันก็นควรจะเข้าใจอย่างนั้นในความรู้สึกอย่างนั้นะก็พร้อมทิ่เลตันหาวิชาเมืดมิดปิดตาในดวงจิตดวงใจของพวกเราจรึงได้มี ควรจะมีความภูมิใจว่าเออเราจะรู้ได้ว่าการเกิดมาแต่และพบแต่และชาตินี่เออมันมีเกิดมาอย่างนี้จริงๆหลายพบหลายชาติผ่านมาอย่างนี้จริงๆการเกิดนี่ไม่เฉพาะพบนี้ชาตินี้ก็เพาะอาศัยมาได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้ว อ, อาศัยมาได้ยินได้ฟังและอาศัยได้มีการศึกษาเราเรียนตามหลักพุทธธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจพวกเราก็จะได้เข้าใจขึ้นสิ่งใดที่พวกเรายังไม่รู้ก็ยังก็จะได้รู้ขึ้นสิ่งใดเข้าใจและรู้ไม่แจ่มแจ้งพวกเราก็จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นนี่ผลแห่งการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาการได้ยินได้ฟังฉะนั้นให้พวกเราเชื่อไว้เถิดว่า การเกิดของพวกเรานี่มันนับพบนับชาติไม่ท้วนอย่างเ่ียวพ่อแม่ที่นำให้พวกเราเกิดมันมากกว่าต้นไม้ใบหญ้าในแผ่นดินในโลกเนี่ยท่านเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งน้ำตาที่ออกมาจากกันดีใจก็ดีจากกันเสียใจร้องไห้ก็ดีที่เจ็บสาสมว้สะสมว้น้ำตาแต่ละคนแต่ละคนมันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุรทรทะเลดูที่นั่นนะ ที่พวกเราเคยเสียใจและร้องไห้ดีใจและน้ําตาออกเนี่ยมันก็นมีกันทุกคนไม่ใช่หรือเนี่ยถ้าเจ็บรวมรวมกันไว้ที่พบชาติที่พวกเราเกิดขึ้นมานี่เป็นมนุษย์ก็าตามเป็นสัตว์เฉยฉันก็ตามประเภทไหนก็าตามที่มัน <c oughs> มีน้ําตาล่วงไหลเพราะเสียใจดีใจนี่ถ้ารวมรวมแล้วมันมากกว่าน้ำมหาสมุทรเลย พระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วพวกเราฟังแบบเพลินเผลินมันก็ไม่น่าเชื่อล่ะแต่ทีนี่ต้องอาศัยความเชื่อปัญญายาณของพระพุทธเจ้าปัญญาตรัตตูโของพระพุทธเจ้าตัวอย่างให้พวกเราเชื่อว่าอดีตที่ผ่านมานั่นมันมีจริง อดีตที่ผ่านมาพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้อดีตที่ผ่านมามันกี่ปีแล้วถึงปัจจุบันนับเป็นเดือนกี่เดือนแล้วเอานับเป็นวันกี่วันแล้วเอารับนับเป็นเวลาวันนี้มันได้กี่ชั่วโมงแล้วเอา้าคำว่าอาดีตที่ผ่านมานั่นะเราจะไปสงสอะไรล่ะทีน่ะ นี่ขนาดพบนี่ชาตินี้ยังเป็นอดีตให้เห็นชัดอยู่ขนาดนี้แล้วเกิดมาจี่ปีมาแล้วห้าสิบปีก็ผ่านมาห้าสิบปีหกสิบปีก็ผ่านมาหกสิบปีสามสิบปีสี่สิบปีก็ผ่านมาสามสิบสี่สิบปีผ่านเดือนเมื่อจี่เดือนถ้านนะับเป็นเดือนผ่านวันมาจี่วันถ่านนะับเป็นวันชาติชา ต, ชาติชาติคือความเกิดเกิดในวันไหนกับชาติใหม่ตรงนั้นละ่ะ เราจะตงใส่ลายเสีอนาคตข้างหน้าสถานการเกิดของคนมันก็มียืนอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือการเกิดของสัตว์มีอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือเน่จะปฏิเสธยังไงอะชาติหน้า ม, มีจริงหรือไม่มีจริงเราจะปฏิเสธได้ยังไง เรื่องนี้พระพุทธเจ้าจัตตุโกรู้แล้วมาสอนพวกเราบุเพนิวาสานุตติยานบุเพนิว่าอดีตชาติคือขนหลังข้างหลังที่ผ่านมานั่นนะนับไม่ทวนประมวลไม่จบที่พวงอุน่นพบชาติของพระองค์เกิดอดีตที่ผ่านมานั่น ดนั้นขึ้นชื่อว่าดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณถ้ายังอยู่ในภพในชาติมีกิเลสมีตันหามีโรคโกรธหลงกิเลสตันหายังอยู่มันจะเกิดอยู่นี้ล้ำไปเกิดมาจนมันนับวันจีภพจีชาตินับไม่ถ้วนมาแล้วอันนี้คือสภาพความจริงที่พวกเราควรจะเข้าใจควรจะภูมิใจเออเกิดจะมาภพนี้ชาตินี้ สัตวเดรัจฉานก็มีหลายประเภททั้งในน้ําบนบกพบภูมิของความเป็นมนุษย์ที่น่าสลดสังเวชเกิดขึ้นมาแล้วคติวิบัติเกิดขึ้นมาแล้ ว, <c oughs> ค, ว, ลวความเป็นมนุษย์ไม่สมประกอบนับไม่ถ้วนและเกิดขึ้นมาแล้วการวิบัติเกิดขึ้นมาแล้วในท่ามกลางผู้ไม่มีความสนใจในหลักพุทธศาสนาก็มีทั่วโวกทั่วสงสาร นับว่าโชคดีไม่ใช่หรือพวกเราเกิดขึ้นมามีคติความเป็นสมบัติเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เสียแข้งเสียขาเสียหูเสียตาแล้วเกิดในา่ามกลางความการที่เป็นสมบัติเกิดขึ้นมาผู้นำในประเทศก็เป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อยึดหลัก พุทธธรรมคาสอนพุทธศาสนาเป็นหลักส่วนมากแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็เป็นภูมิเป็นสัมมาทิฏฐิถือพุทธธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึงโอกาสการอย่างนี้รวมโอกาสการที่เป็นสมบัติปัจจุบันในขณะนี้พวกเราพร้อมลักษณะนี้แล้ว จึงว่าการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพ้องสอนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกบารวมแล้วก็เรื่องบุญเรื่องบาปให้เราเชื่อว่าบาปมันมีจริงเกิดจากสิ่งที่ทำผิดทางกายเกิดจากสิ่งที่พูดผิดพูดไม่ดีทางวาจาทําไม่ดีทางกายชิดไม่ดีทางจิตใจมันเป็นบาป เมื่อเรารู้แล้วในสิ่งที่เป็นบาปอย่างนี้มันมีอยู่ทันในจิตใจที่เหตุของมันที่พาให้ทำผิดพูดผิดคิดผิดก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาในทางที่ผิดกรรมตัณหาภาวะตัณหาวีภาวะตัณหาถ้าเราใช้ในทางที่ผิดมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ฉะนั้นข้อปฏิบัติในแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันแต่และ ว, วัน เราพยายามดูตันหาทางที่ผิดมันจะมาประสานกับความโลภในสิ่งที่จิต劣ตันหามันต้องการมันมีเรื่องอะรที่จะให้โลภมันมีเรื่องอะรที่จใจโกรธอยาไปแสดงออกเราดับเราป้องกันเราหลีกเราเลี่ยงอะไรที่จะให้เกิดความหลงเราหลีกเราเลี่ยง ในขณะที่หลีกเลี่ยงทางกายทางบาจาจิตใจที่จะเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษตันหาจินเล ต, ตันหาเป็นเครื่องนำสื่อนำสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันเกิดทึ้ขึ้นทางกระแสของจิตใจสังบอลระวังอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันก็เหลิบเสืบสารขึ้น เมื่อเราระวังการกระทำทางกายทางวาจาอย่างนี้แล้วอารมณ์ทางจิตใจและก็สังวรระวังอย่าไปนึกอย่าไปเชดอย่าปล่อยตามกระแส จ, จิตใจเองเราอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อเราละมัดระวังอย่างนี้ศีลผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบี่เนี่ยดูลักษณะยังไง เศลคือความปกติปกติกายปกติใจนอกจากความละเวียนจากสิขาบทแล้วละเวียนจากอิร์นสังวรระวังอารมณ์ต่างๆภายในจิตใจยังไม่พอยังไม่พร้อมยังเข้าถึงศีลคือความปกติปกติกายปกติใจ เมื่อพ่อองค์ท่านสอนไว้อย่างนี้สอนใครที่สอนพวกเราสอนพวกเราพวกเราฝึกให้เข้าสู่ความเป็นปกติกายปกติใจนี้ได้กะเว้นจากความชั่วตามที่ขาโบดละมัดระวังอารมณ์ที่มันนึกคิดปรุงแต่งไม่ไปตามกระแสของกิเลสไม่ไปตามกระแสของตัณหา แล้วให้เข้าสู่ในระบบความเป็นปกติกายปกติใจเมื่อได้อย่างนี้แล้วสีเลนะสุกติงยันติผู้เข้าถึงสินผู้มีสินจะมีความสุขสุขใจนุนสบายใจนุนเพราะไม่มีกระแสกีเล็กก่อกวนมันไม่มีทุกข์มีโทษที่ล่วงละเมิดแล้วให้เกิดความชิดยิปฏิสารเดือดร้อนจากการกระทำมันผิด พูดมันเผิดมันเราไม่ได้ไปทำไม่ได้ร่วงละเมิดแล้วก็อยู่แบบปกติสุขอยู่ไหนไปไหน <c oughs> จิตใจไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไม่เกิดวิปัิสานเดือดร้อนอะไรก็เป็นคนที่มีความปกติสุขแต่ความปกติสุขของจิตใจนี่ก็มาเรียนรู้อีกทีหนึ่งว่า ศีลคือความปกติปกติกายปกติใจเมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าปกติกายปกติใจปกติใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจไม่ปกติมันวุ่นวายเป็นเรื่องเรื่องอะไรมันแทรกขึ้นมาอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นมาจึงเกิดความวุ่นวายความวุ่นวายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วุ่นวายน้อยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วุ่นวายมากเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ความปกติถ้าปกติได้ชั่วระยะประเดี๋ยวประดาเมันก็มีเห็นคุณค่าของความปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาประคับประความความรู้สึกอารมณ์จิตใจของเราให้มีความปกติมากขึ้นปกติมากขึ้นเราจะอยู่แบบสบายของเราเราจะอยู่แบบปกติดีของเราในความรู้สึกปลุกความสำนึก ปกติกายปกติใจเรียนรู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในขณะเดียวกัน เ, เกียรตใจของเราอยู่ในลักษณะนี้ฝึกอยู่ในลักษณะนี้เรื่องต่างๆปัญหาต่างๆความทุกข์ทรมานทางจิตใจมันก็นไม่มีที่เกิดจากความเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นละ ส่วนที่เกิดจากกระแสของกิเลสตัณหาที่มันเป็นต้นเหตุอันนั้นมันมีอันนั้นหนเมื่อมีตรงนั้นแล้วเราจะระงับกิเลสตัณหาปะเภทนั้นด้วยวิธีการสร้างกำลังของใจเกิดจากกำลังความเป็นธรรมสติธรรมที่เนี้ยขันติธรรมวริยญธรรมฝึกสมาธิไทยเกิดสมาธิาา ธ, ธรรม มาสร้างความเป็นธรรมนี่ให้เกิดขึ้นคือการปฏิบัติทำความภาความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกกระแส จ, จิตใจของเราสร้างความเป็นธรรมอันนี้มันเกิดขึ้นอย่ามีความจี้เจี๊ยที่ค้านอ่อนแอหล่อแหลกเราทําด้วยความพอใจทําด้วยความตั้งใจความพอใจทําอยู่ตรงไหนผลมันจะเบ็จขึ้นตรงนั้น ทำด้วยความภาคความเพียรอยู่ตรงไหนผลสำเร็จมันเกิดขึ้นตรงนั้นผลสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนั่นะฉะนั้นในขณะนี้เรามาฝึกในความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแล้วก็สติของเราสัมผัสสัมพันธ์ย่กใจใจของเราเป็ท่รู้เราตั้งสติตั้งใจฟัง ตั้งสติตั้งใจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในขณะเดียวกันกระแสของธรรมที่ท่านบอกท่านสอนเนื้อหาเรื่องต่างๆมันเกียวข้องเจียวพันกับจิตใจของเราอยู่ทุกขณะอย่างที่พูดถึงลักษณะของศีลเราไม่ได้ล่วงละเมิดในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษมันเหลือแต่อารมณ์ แล้วก็มา ร, รู้รู้รู้ตั้งสติเดียนรู้อารมณ์ของจิตใจสังวรระวังเราควรจะสังวรระวังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทักษาอย่างนี้สินคือความปกติปกติกายปกติใจโดยเฉพาะปกติใจใจปกติดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมาเรียนรู้ถึงเมื่อเรียนรู้แล้วก็ถือเอาความปกติของจิตใจเป็นพื้นฐานที่ใช่ ทำความเพียรนั่งสมาธิตั้งสติดูจิตใจของเราเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยมีสติด้วยเอาคำบริกรรมมาเป็นเครื่องกากับพุทโธพุทโธอยู่นั่นพลังของสติพลังความตั้งใจใจคือธารู้สติคือเครื่องละเลิกมันสัมผัสสัมพันธ์กันในขณะเดียวกันริ้ว ความหนักแน่นของ จ, จิตใจมันพร้อมๆร้อมพร้อยพร้อมพร้อม้าหวั่นไหวยาฟุ้งซ่านยาลำคาญความฟุ้งซ่านความลำคาญอย่าไปนึกอย่าไปปล่อยกระแสะจิตตามให้อยู่กับคําบริกรรมให้มีสติกํากับกับคําบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ด้วยความตั้งใจตั้งสติเรากํากับอยู่อย่างนี้รักษาอยู่อย่างนี้นี่คือการสร้างกําลังของความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้น การตั้งใจตั้งสติมันก็เป็นธรรมจะติกสติธรรมวิริยะความภาคความเพียรการกระทำมันก็เป็นธรรมคำบริกรรมที่นึกคำบริกรร ม, มนี่ก็เหมือนก็เป็นธรรมคือปลูกกระแสของจิตใจให้เกิดความสำนึกเอาความเป็นธรรมเป็น เครื่องอยู่ทางจิตใจคือคำบริกรรมนั่นทุกอย่างเราพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมจงกายของเราก็พร้อ ม, อ ม, อ ม, อ ม, อมนั่งวาจางเราสงบพร้อมยังเหลือแต่จิตใจที่เราใช้คุณธรรมหอมเข้าใส่คือสติธรรมตั้งใจขันติธรรมความอดความทน อันนี้การฝึกอันนี้ฝึกความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นกับจิตใจเพื่อให้ใจมีกำลังกำลังของจิตใจนี่กาลังของมันมีกำลังของสตินี่นาะมันมีกำลังของความตั้งใจมันมีกำลังของความเป็นธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นทางจิตใจเมื่อกำลังส่วนนี้เกิดขึ้ น, นที่นี่มันเหนือกำลังของอารมณ์อารมณ์โลภโกรดหลงจิตใจฟุง้งซ่านําคัญอ่อนแอล อ, นอนแลก กำลังของธรรมนั้นมันเหนือมันเมื่อเหนือมันมันก็ควบคุมทับมันไว้แต่มันไม่ได้ตายมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะกำลังของธรรมเหนือมันเฉยเฉแต่ในกำลังของสมาธิถ้าเรามีกำลังส่วนนี้อารมณ์ส่วนนั้นมันก็สงบว่าใจสงบคือกำลังจิเละตัณหามันสงบ ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไกลนะเมื่อใจอจันกิเลสตัณหาสงบใจมันก็ไม่มีกิเลสตัณหาก่อขวดมันก็เป็นอิสระมันก็มีความสุขเหมือนอย่างที่เราเป็นผู้มีอิสระเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ไดเ้เหมือนคนคุกคนตลางคนติดคุกติดตลาง ใส่เครื่องจองจันต่างๆไม่มีอิสระเขาทนทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจอันนี้ที่เหลยอตัญหาผูกมัดดัดดึงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมบางจิตใจจนกลายเป็นลมของความเครียดอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ของความวุ่นวายอีลงตุงนั่งอยู่ภายในจิตใจนั่นเดี๋ยวจิตใจไม่มีความเป็นอิสระแต่นั้นเราเนื้ถึงความเป็นธรรมสติธรรมขันติธรรมวิริยะธรรม ให้เกิดเป็นกําลังของใจให้ใจมีกําลังของธรรมเหล่านี้มันเหนือเหนือเหนืออารมณ์ของกิเลสเหนืออารมณ์ของตัณหาแต่จิตใจเป็นอิสระพราะจิเลศตัณหาไม่ได้ผูกพันจิตจิตใจไม่ได้ถูกอารมณ์จิตจเลศตัณหาผูกพันผูกมัดรัดหนึ่งจิตใจเป็นอิสระความสงบความเป็นอิสระนี้มันจะเป็นมันจะมีความสุขลักษณะหนึ่งขึ้นมา คือไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นน่ะมันก็มีความสุขแบบธรรมชาติเดี๋ยวนาทีสันติพลังสุขขังที่ว่าความสุขอันดับที่สองที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขประเภทนี้เป็นเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขเกิดจากอา m ิตรทั้งหลาย แังพวกเราต้องการความสุขแต่และอย่างแต่ละอย่างมีความมั่นใจเชื่อมั่นฝึกความเป็นศีลฝึกความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อจะได้เข้าสู่ความสุขอย่างเลิ่อย่างประเสริฐคือความสุขของมรรคผลนิพพานอันนี้จัางหากในที่พวกเราเอ่อมีโอกาสมีเวลามาฝึกมาปฏิบัติเรียนรู้ก็เรียนรู้เพื่อ ให้เข้าใจว่างานของพวกเราคืออะไรสิ่งที่ทําให้พวกเจ้าพวกเราเป็นทุกข์ทางกายทางใจคืออะไรเรารู้จักหน้าที่ของพวกเราเรามีหน้าที่กําจัดกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายทําไมจึงกําจัดทําไมจึงทําลายเพราะนั้นเป็นแผลมันเป็นภยัยเป็นเป็นภัยทําลายจิตใจให้มีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นตั้งหาก เการมาศึกษาได้ยินได้ฟังก็เพื่อมาเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นภัยเยี่ใจต้องการอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้การมาศึกษาการมาฝึกมาปฏิบัติก็เพื่อสร้างประโยชน์ของตนให้ตนมีประโยชน์ทั้งความรู้ความฉลาดให้มีประโยชน์ทั้งการฝึกจากการฝึกจากการปฏิบัติคุณธรรมเกิดขึ้น คุณอำนาจของศีลเกิดขึ้นกำลังของธรรมเกิดขึ้นถึงสมาธิธรรมติธรรมเราจะจะใช้ปัญญาธรรมเพื่อทิจร น, นาส่วนอื่นที่พวกเรายังมีความหลงอยู่หลงอะไรพวกเราก็จะใช้ค ว, ความเป็นธรรมติธรรมปัญญาธรรมนำไปใช้ต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราในการฝึกการปฏิบัติเห็นพานเข้าใจการฝึกการปฏิบัติ ช่วงระยะนี้โอกาสนี้กําลังอากาศกําลังสบายสบายออกฝนสามาแล้วเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวมันก็ไม่เดืดรุนแรงเท่าไหร่ถือโอกาสนี้เวลานี้ฝึกปฏิบัติกันโดยเฉพาะพวกเราอยู่ตามป่าตามเขาลุกกมลลมลมไม้ท่ากลางของป่าเขามันเป็นสมบัติธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้ความสงบสุขความ เป็นสปายะอยู่ตามป่าตามเขาเหมือนอย่างที่พวกเราอยู่ในขณะ น, นี้พวกเราถือโอกาสอย่างนี้เอาสถานที่อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าประทานาไว้ประทานไว้เพื่อพวกเราให้พวกเรานําใช้อาศัยอยู่เพื่อปฏิบัติทางจิตทางใจเอาหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกำจัดชำระจิเลตตนา พพานเข้าใจหน้าที่ของตัวเองการฝึกการปฏิบัติฉันผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงขอยุติวไว้เพียงแจน่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิด